ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิทธิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคราบสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสูจน์ชาวพีว่าพิสูจทั้งหลายทราบว่าพวกเธอรู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายทรงมาเพื่อตนจริงหรือพวกพิสูจ์ชาวพคีทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนีว่า